เพความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ ร, ร่มปโภติยานกำลังนำเสนอเรื่องสามัญญจผลคือผลจากการบวชเป็นสมณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระเจ้าอาชาติัตรูมาโดยลำดับ ว, วันก่อนก็มาพูดถึงผลคือเจโตปริยาน คือมีปิชาญาณยังรู้จิตใจของบุคคลอื่นวันนี้ก็จะพูดถึงพระญาณที่สำคัญอีกข้อห น, นึ่งก็คือปุเพนิวาสานติญาณเราจะเห็นได้ว่าปุเพนิวาสานติญาณจตุปปาติญาณอวะขยา น, ายานเป็นญาณที่นำมาพูดเมื่อตอนสัสรุ ว่าพราะองค์ทรงสัตรุกประยานทั้งสามในยามทั้งสามของแรตรี 3. แต่ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วในอภินยาหกในวิชาแปจะมีรายละเอียดมากกว่านั้นในที่นี้เป็นการแสดงแนวอภินยาหกคือมโนมยิทธิอิทธิวิธิทิททปสุสน เจตประยานแนละ้วก็ข้อต่อไปเป็นปุเพนวสารตยานสภาพจิตเหมือนเดิมแตยว่ามีความประณีตมากยิ่งขึ้นโดยรับสั่งว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วยอมโน้มน้อมจิตไปเพื่อปุเพนวสารติยาน น้อมใจไปเพื่อจะรู้ว่าชาติบางก่อนของตนเป็นอย่างไรโดยสภาพจิตอย่างนั้นเองทําให้ท่านระลึกชาติย้อนหลังไปได้เป็นนันมากชาติหนึ่งสองชาติก็นับไปเรื่อยๆนะฮะจนเป็นสังขยาที่เรานับไม่ไม่ได้เช่นว่าเป็นแสนชาติบ้างตลอดสังวัตรกรรมเป็นนันมากบ้าง ตลอดวิวัตกิกับเป็นนันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกิกัเป็นนันมากบ้างคือนับไม่หวัดไม่ไหวคือแสดงว่าการท่องเที่ยวในสังสารวัตรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอเนกชาติคือนับไปได้โดยการเขียนหรือว่าด้วยการคำนวณ น, นะฮะมันจุดเริ่มต้นมันก็มาจากอวิชา วิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขานเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปภพชาติมันมีความประณีตแตกต่างกันไปตามคุณภาพของจิตคือถ้าอาวิชามันเข้มข้นก็แสดงว่ากรรมก็เป็นบาปมากทําให้คุณภาพของวิญญาณตา่ําภูมิจิตก็ต่ํำพบที่จิตปอุบัติก็ต่ําแต่ก็อยู่ในแวดวงของ กล่าวมาพบรูปรพบอรูปรพบและทรงอธิบายให้เห็นถึงความรอบรู้อย่างละเอียดถี่ยิบเหมือนกับเรารู้เรื่องของเราในชาตินี้หรือในวันนี้อมองมองวันนี้จากเช้าจนถึงเย็นเราไปทำอะไรเรากินอาหารอะไรเราอยู่ที่ไหนเราพูดกับใครเนี่ยจำได้ทั้งหมดรู้รายละเอียดแบบนั้นนะ แม้เรื่องมันจะผ่านมาเป็นอนเอกนัน์สุดที่จะนับจะประมาณได้เป็นการแสดงถึงผลของพยายามเนี่ยมันไปขจัดตัวโมหะถ้าตามปกติเราก็งลงลงลืมๆเพื่อเลื่อเลือนนะฮะจําอะไรไม่ค่อยได้แม้บางครั้งบางคราวในวันวันหนึ่งในตอนเช้าจนถึงเย็นเนี่ยบางที่เราก็ลืมไปบางตอนก็นึกไม่ออกในบางตอน แต่ว่าผลจากยานที่เป็นการนักึกชาติได้นั้นเป็นการรักึกชาติที่ละเอียดโดยรับสั่งว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพัรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุก์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพัรรณอย่างนั้น ยี่หานอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกอย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปบังเกิดในภพอื่นภพนี้อีกเธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนนี้อันนี้เป็นการแสดงถึงผลของพยานิของยานนะฮะที่เกิดขึ้นแก่ใครก็ตาม แต่ว่าแนวของการระลึกชาติได้จากการศึกษามาเนี่ยพราะว่าบางคนก็ระลึกชาติไดหนึ่งชาติคือย้อนอดีตไปหนึ่งชาติคือชาติก่อนก็ระลึกไดในชาตินี้ก็ลึกชาติก่อนมีรายละเอียดพอสมควรแต่ว่ารายละเอียดจะไม่มากอีกแนวหนึ่งเป็นการสะกดจิตเคย อ, อ่านเรื่องชาติภพของขลังที่ก็แปลมา เป็นการสะกดจิตที่เวลานี้เขาศึกษาค้นคว้าไปไกลพอสมควรเึ่งหกสิบแปดชาติแต่ถ้าเราดูให้ดีแล้วมันเป็นการระลึกคล้ายๆกับแผ่นสไลด์คือประวัติชีวิตไม่มีความต่อเนื่องแล้วก็บอกไม่กระจางแจ้งชัดเจนถึงความเป็นอยู่ถึงอย่างที่ทรงแสดงไว้เนี่ย มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีพิพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเศรษสุขสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพยียงเท่านั้นคัจุติจากนั้นแล้วไปเกิดในที่นั้นที้นั้นเนี่ยมันไม่สามารถจะได้รายละเอียดอย่างนั้นได้แต่การระลึกทราบได้ระดับของอภิญญาเนี่ยของพวกตั้งแต่อภิญญาที่เป็นโลกิยะนะฮะก็ระลึกได้เป็นอันมากเหมือนกัน แต่ว่าถึงจุดหนึ่งก็ระลึกไม่ได้นันก็มีปัญหาในเรื่องการตัดสินวินิจฉัยเรื่องบางเรื่องเช่นสมมติว่าเราเกิดเป็นคนตลอดเกิดเป็นผู้ชายตลอดสัก5าชาติสิบชาติอย่างี้ในชาติต่อไปเราไม่รู้ก็เลยก็ไปสันนิษฐานเอาไปเข้าใจเอาว่าผู้ชายตายแล้วเกิดเป็นชายผู้หญิงตายแล้วเกิดเป็นหญิง คือถ้าพูดอย่างนั้นมันก็ผิดกฎผิดกฎของกรรมผิดกฎของสังสารวัฏเพราะการเป็นชายเป็นหญิงนั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพจิตของบุคคลเหล่านั้นเราจึงพบว่าในแง่ของความจริงก็เคยเกิดเป็นหญิงเป็นชายกันผู้ชายกลายเป็นหญิงผู้หญิงกลายเป็นชายเทวดากลายเป็นมนุษย์มนุษย์กลายเป็นเทวดาเนี่ยมันเปลี่ยนภบเปลี่ยนชาติเปลี่ยนเพศได้นะ ตามกระบวนการของอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปดังกล่าวเพราะการวิจารณที่ไม่ตลอดจึงกลายเป็นคำสอนที่ผิดๆเท่าที่แสดงไว้ในโรมชาลสูตรจริงๆก็เป็นประสูตรที่ติดกับประสูตรสามัญญดนสูตรนะฮะแต่เป็นประสูตรแรกในทีคานิาย สแสดงทิฏฐิของคนไว้ถึงหกสิบสองทิฏฐิด้วยกันแต่ก็เป็นเรื่องคาดเดาเป็นเรื่องความรู้ที่จำกัดจำเขียของท่านแล้วท่านก็เกิดปักใจฝังใจมีความเชื่อมั่นตามประสบการณ์ที่ไม่มากพอของท่านอย่างท่านเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งบเนเพ็ญเพียรอย่างเงี้ย จิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผองแพร่ไม่มีกิเลสปราศจากอปุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็น้อมใจเพื่อระลึกชาติได้มาละลึกย้อนย้อนย้อนใกล้ๆกับเเมื่อวานเมื่อวานซืนไปวนันแบบย้อนไปเงี้เเยเร่อนเรือยๆย้อนอนดีตไปท่านย้อนไปได้ถึงเก้าสิบเก้าชาติ แล้วก็ทาให้เห็นว่าคุณความดีเหล่านี้ท่านได้จากการอุปธรรมคําจุนของอุบาสิกาคนหนึ่งซึงดูแลความเป็นอยู่ของท่านในเรื่องอาหารการกบชั้นในเรื่องที่อยู่ที่อาศัยพูดงง่ายว่าดูแลในเรื่องปัจจัยสี่ทำให้ท่านมีความสะดวกสบายในการบาเพ็ญเพียรทางจิตก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าอุบาสิกาเนี่ยเคยอุปกรารคุณของท่านต่อท่านมากี่พ ก, กี่ชาติแล้วนะครับก่อน ตราลึกไปก็เห็นเยอะนะเห็นเยอะเลยแต่พอดีในชาติที่เก้าสิบเก้าเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นสามีพันยา ก, กันอุบาสิกาไปขบชู้แล้วก็ร่วมมือขอบชู้ฆ่ากัานตายพอถึงตรงนั้นเองท่านสะดุดคือไปสรุปเอาเองว่าอุบาสิกานั้นมีใจิตใจโหดร้าย เงื่อนไขปัจจัยองค์ประกอบต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆนี่ท่านก็ไม่ได้คิดเนี่ยว่าในภพชาติเท่านั้นเป็นยังไงท่านก็ชะ ง, งักก็หยุดนิ่งอยู่พอดีว่าสิกาท่านเป็นพระคอคามีท่านระลึกชาติได้กระลึกไปดูว่าภิกษุกําลังทําอะไรก็เห็นว่ากําลังระลึกชาติแล้วประทิดยู่ที่ชาติก้าวสิบเก้าท่านก็มองเลยไปถึงชาติที่หนึ่งร้อยปรากฏว่าชาติที่หนึ่งร้อยนั้นเป็นสามีปัญญากนันอีก แต่ว่าอุบาสิกาได้สละชีวิตช่วยสามีเอาไว้เลยก็ใช้จิตานุภาพนะฮะกระซิบบอกมาเป็นทิปโสตเป็นหูทิปเนี่ยบอกให้พิจารณาต่อไปตรจสอบต่อไปพอพิจารณาไปถึงชาติที่หนึ่งร้อยก็พบอย่างนั้นก็เกิดปีติประมทเห็นว่าอุบาสิกานั้นเป็นผู้มีคุณดีเยี่ยงใหญ่จริง ท่าระลึกได้รวดไปกันตลอดเพรา ะ, ะการระลึกชาติเนี่ยมันเป็นการย้อนอดีตแต่ถ้าระลึกได้เพียงจำกัดไม่กี่ชาติเนี่ยมันจะมีปัญหาในส่วนตัวเองในขณะเดียวกันก็ช่วยคนอื่นนะช่วยคนอื่นให้ถ้าเขาเชื่อแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสังสารวัตเนี่ยเป็นเรื่องมีอยู่เรื่องเป็นกระบวนการของกรรมกรรมกับสังสารวัตรเี่มันแยกกันไม่ได้ แต่ใบกรรมยังมีอยู่ดาบนั้นทั้งสารวัตรก็ต้องมีอยู่แล้วก็เป็นกระบวนการของกิเลสกรรมบิบากที่เขาก็เป็นเขา อ, อย่างเนี้ยธรรมชาติก็เป็นอย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่ข้ อ, อยุติว่าชีวิตทุกชีวิตที่ตายแล้วต้องเกิดอีกเราขึ้นอยู่กับวิชาสังขารวิญญาณดังกล่าวถ้าองค์ประกอบทั้งสามประการ น, นี้ยังมีอยู่การเกิดอีกก็มีได้แต่ถ้าองค์ประกอบทั้งสามประการ น, นี้ หมดไปสักข้อหนึ่งเนี่ยอย่างอื่นก็หมดตามไปนะฮะเช่นเอวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับปัญญาดับปิญญาดับนามรูปดับหรือพูดง่ายๆว่าเพอวิชาดับสังขารก็ดับปัญญาก็ดับนามรูปก็ดับอันมันไม่เกิดอีกรากงาวญ่อยมาจากวิชาแล้วทรงแสดงโดยอุปมาให้เข็นถึงอย่างที่บอกท่านผู้ฟังว่าไปเกิดต้องการจะนําเสนอพระสูตรนี้ก็เพราะว่า ทรงแสดงแก่คารวาสซึ่งไม่เคยฟังเทศแล้วพระพุทธเจ้าก็จะต้องมีตัวอย่างมีอุปมาอุปไมยให้ฟังอยู่ตลอดอย่างที่อุปไมยเรื่องชานก็ดีเรื่องนิวรณ์ก็ดีเนี่ยคือตามปกติเราไม่เคยเจอเหรอกตอนแสดงแก่พระแล้วบางทีก็เรื่องสั้นนิดเดียวพูดรับสั่งสั้นนิดเดียวพระต่างเข้าใจแล้วแต่ว่าพระเจ้าชาวซูนั้นเป็นการเข้ า, ข, า, ข, าข้าวครั้งแรก แล้วก็สอบถามปัญหาที่เกี่ยวกับผลจากความเป็นสปนัะเพราะเมื่อธงแสดงมาถึงจุดนี้แล้วก็รับสั่งว่าลูกกรมรมาห์พิทเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบ้านตนไปบ้านอื่นและจากบ้านนั้นไปยังบ้านอื่นอีกจากบ้านนั้นกลับมาสู่บ้านของตนตามเดิมเขาจะพึงระลึลกได้อย่างนี้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ไปบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นั่งอย่างได้นิ่งอย่างนั้นเราได้จากบ้านนั้นไปอย่างบ้านโน้นแม้ในบ้านโน้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นเรากลับมาจากบ้านมาสู่บ้านของตนตามเดิมดังนี้ฉันใดคือเห็นชัดเจนอย่างนั้นเลยเห็นชัดเจนคล้ายๆกับเหตุการณ์สองวันสามวันแน่นะ เหตุการ์ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยก็มีความชัดเจนขนาดนั้นตอนนั้นเราจะพบว่าจากพระญาณของพระพุทธเจ้าที่นำเอาชาดกต่างๆมานี่ยคือบางทีเป็นคําพูดบางทีเป็นความคิดของตัวละครในชาดกของบุคคลในชาดกนะก็ไม่ใช่ตัวละครหรือว่าตัวขอ ง, ของบุคคลในชาดดกนะเราสามารถนํามาแสดงนํามาเผยแพร่พพให้เกิดความเข้าใจได้ แสดงให้เห็นว่าพรรยา น, นี้มีความระเมียดระไหม่มีความลึกซึ้งแล้วรู้รอบซึ่งมันเป็นผลระดับญาณเพราะถ้าตามปกติแล้วเนี่ยลองสังเกตว่าเราเองบางทีก็ยุ่งยุ่งนะนะเจ็ดว่ากินข้าวตอนเช้านี่มีอะไรบ้างเนี่นึกไม่ออกนะบางทีตอนเย็นนึกไม่ออกครับมีอะไรบ้างหรือบางทีวก็พรว่าใครมาไปพูดอะไรมาบางทีก็ลืมล่ะแต่ว่าท่านเหล่านี้ท่านจะ ระ ล, ลึกย้อนกลับไปสู่อดีตแนวการรลึกชาติเนี่ยมันแนวคล้คายๆกับการสมมติว่าตอนเราเป็นเด็กๆเราของอะไรโยนลงไปในสระน้ำแล้วต่อมาก็มันกระทบถมกันอยู่สระน้ำก็ขุ่นเราก็มองไม่เห็นพอสระสน้ำใสลงเนี่ย เราก็สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งนั้นเราโยนไปเมื่อนั้นเมื่อนั้นเมื่อนั้นเราดั่งคุยกันนั้นคนนั้นอธิบายได้ละเอียดแต่ว่าเนื่องจากเป็นความรู้ระดับจำไม่ใช่ระดับญาณเอาเข้าจริงบางเรื่องเราก็จําไม่ได้แต่ในปุเพนวาสาติยา น, นั้นจะจํารายละเอียดต่งตางๆมาได้ทั้งความพูดทั้งการกระทําทั้งการพูดทั้งความคิดอย่างที่ส่งแสดงเอาไว้ว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้น ในบ้านนั้นเราได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแล้วเราได้จากบ้านแม่นั้นไปอย่างบ้านโน้นในในบ้านนั้นเราก็ได้ยืนอย่างนั้นได้นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นิ่งอย่างนั้นแล้วกลับมาจากบ้านนั้นมาสู่บ้านของตนตดำเดิมตอนนี <S 2> <S 2> ้ชันใดภิกษุก็ฉันนั้นแหละ เมื่อ <Goodness. S 2> จิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ข่องแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยอมน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสารนติยานเธอยอมระลึกชาติก่อนได้เป็นนั้นมากคือระลึกได้หนึ่งชาติเป็นต้นก็ว่าไปเรื่อยๆรอยนันติกาแล้วในตอนต้นนี่ก็คือคือเป็นผลจากการบาเพ็ญเพียรทางจิต เป็นความรู้ในแนวที่เราเรียกว่าปัจจตังเรารู้ได้เฉพาะตนไม่สามารถอธิบายที่แจง้งบุคคลอื่นฟังได้คล้ายๆกับสัมผัสทางภาษาสัมผัสส่วนอื่นนะโดยการเห็นรูปด้ดวยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกคลิ้มรส ด, ด้วยลิ้นอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนั้นแล้วก็รักษ า, า, า่ว่าดูกรมหาวพิธนี้แหละสามัญผลเถนสามัญยผลเถนปจัจจักตั้งดีกว่า ทางปณิกว่าสามัญญผลไดเห็นไปจากข้อ่อนๆเดี๋ยวข้อต่อไปก็เป็นเรื่องของจูตูปปาตยานหรือเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าทิพยจักสุนะก็เรียกได้สองอยางเรียกว่าทิพยจักสุยานก็ได้เรียกว่าจูตูปปาตยานก็ได้ในกรณีนี้ทรงเรียกทิพยจักสุคือตาชิย์ ตาทิบก็เทียบเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับโทรทัศน์เนี่ยคือเราสามารถจะเห็นคลื่นแสงซึ่งส่งมาจากสถานีโทรทัศน์จากส่วนต่างๆของโลกได้แต่ว่าเรามีเครื่องรับนะฮะเพราะฉนั้นพวกทิพย์กับทิพย์เนี่ยเขารับกันได้แต่ว่าไอหนึ่งทิพย์ไปนหนึ่งไม่ใช่ทิพย์มันก็รับกันไม่ได้ได้ทรงอธิบายถึงสภาพจิตเหมือนเดิมว่า ภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธ์ผองแผ่ไม่มีกิเลสปราศจากโอุปกิเลสอ่ อ, อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ยมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุะบัติของสัตว์ทั้งหลายคือการจุติได้แก่การตายอุบัติก็คือการเกิดนะฮะบาลีท่านเรียกว่าอุบัติมันก็ทำให้นึกถึงคำว่าอุบัติเหตุนะฮะเหตุที่เกิดขึ้น ที่จริงมันนับหน้าจะเรียกว่าอุบัติตวเหตุหรือว่าเหตุที่มันไม่ดีนะฮะเป็นอภิมงคลเหตุเหตุไม่ดีเกิดเกิดขึ้นแล้วก็มีความสูญเสียต่อมาเราเรียกอุบัติเหตุแต่ที่จริงก็แปลว่าเหตุที่เกิดขึ้นนะเรื่องที่เกิดขึ้นอในที่นี้ก็ทรงแสดงว่าอุปบัติก็คือการเกิดแล้วการอธิบายการตายแล้วก็เกิดนะการตายและการเกิดของสัตว์ตั้งหลาย ทรงเห็นหมู่สัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุปบัติจุติก็คือตายนะอุปบัติก็คือเกิดกําลังนะกำลังจุติกําลังอุบัติกําลังตายกําลังเกิดกําลังตายกําลังเกิดเนะโดยที่ปยัญจสูนี้มันมันจะรู้ละเอียดอาการตายการเกิดของคนของสัตว์ทั้งหลายนี้ที่จริงมันฉีกยิบจนกําหนดไม่ทันกันเลยทีเดียวบางคนนีกําหนดได้จริงๆต้องอาศัยพุทธญาณระษาโวกระดับ อนุรุตซึ่งเลิศทางทิพยสุนีกําหนดไม่ทันท่านกราบทูลสรารภาพกับพระพุทธเจ้าเองว่าท่านกําหนดไม่ทันมันเร็วเหลือเกินคือใ น, ในแต่ละวันที่สัตว์มันจุติปฏิสนธินะฮะหรืออุปบัติเนี่ยตายแล้วก็เกิดตายแล้วเกิดตายเกิดแต่เกิดมันเยอะเหลือเกินแล้วก็มาเกิดในครรบางทีแม่ยังไม่รู้ว่ามีสัตว์มาจุติในครรเอาตายจะแล้วชีวิตทั้งหลายจึงมีลักษณะที่ ยากที่จะรู้ได้อย่างต่อเนื่องทันทีทันควันเพราะว่าเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ที่ยิบนะฮะมันต้องมีความต่อเนื่องในกระแสของบุญของบาปเนี่ยถ้าบุญมีความต่อเนื่องไม่มีบาปอะไรมาตัดรอนชีวิตมันก็ดำรงอยู่ได้แต่ถ้ามีบาปรกรรมอะไรมาตัดรอนความประมาทในปัจจุบันมาตัดรอนมันก็ดารงอยู่ไม่ได้ ก็รับสั่งแสดงให้เห็นถึงการตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายในรายละเอียดว่ากรำลังอุบัติเลวบ้างประณีตบ้างผิวพันธุ์ดีบ้างผิวพันธุ์สามบ้างได้ดีบ้างตกยากบ้างด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์คือเกินที่จากสุมนุษย์จะไปเทียบเคียงได้มนุษย์อาจจะตั้งปัญหาถามมาทำไม่จริงอ่ะพราเราไม่เห็นเขาเห็นด้วยทิพยจักษุเมื่อนเห็น คลื่นแสงด้วยเครื่องโทรทัศนะ์น่ยนึกถึงอย่างนั้นเอาไว้อย่างที่ยกอุปมาว่าที่ประสงค์ก็นึกถึงวิทยุเอาไว้จิตใจเนี่ยสามารถพัฒนาเป็นทิพย์ได้ตาพัฒนาเป็นทิพย์ได้หูพัฒนาเป็นทิพย์ได้าไดกายที่เป็นองค์รวมเนี่ยก็สามารถเป็นทิพย์คือไปไหนมาไหนในเชิงอิทธิวิธีนี้ได้แล้วก็ได้แสดงรายละเอียดว่า ความแตกต่างเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรกะรับสั่งว่าย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบกายยทุจริตวจีทุจริตมนษทุจริตติเตียนพระเรียเจ้าเป็นมิจฉา ช, ชิิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉา ช, ชิิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนารกนี่คือประเด็นที่ควรกาหนดนะ ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นเขาเรียกว่าเป็นนิปรยายคือแสดงเมื่อไหร่แสดงอย่างนี้ทุกทีแล้วก็เวลาพูดถึงโทษบาปกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลหลังจะตายไปแล้วบาลีก็ใช้คำอย่างเนี้ยเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงทุกขติวินิบาตานรกสุรกาย เป็นการพูดรวมๆคืออย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าหากว่าพูดเจาะจงตัวบุคคลเนี่ยจะบอกเลยบอกคนนั้นตายไปเกิดเป็นงั้นเพราะกรรมอย่างงั้นคนนั้นตายไปเกิดอย่างงั้นเพราะกรรมอย่างงั้นแต่ว่าถ้านั่งไปทํานายอยู่อย่างนี้ไปบอกอย่างนี้มันก็เสียเวลาพระเจ้าก็จึงวางหลักเอาไว้เป็นธรรมดาศะคือเป็นกระจกส่องใจเราเองเราสู้ดูได้ดูตัวเราเองนะฮะ แต่ว่าจิตใจเราจะต้องมีการพัฒนาขึ้นไปมีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในไสยศาสตร์ก็แสดงว่าคนระดับประโสดาบันขึ้นไปเนี่ยที่จริงก็ไม่ใช่ระดับประโสดาบันนะฮะคือระดับคนที่ได้รูปประชารขึ้นไปเป็นผู้ที่มีคติแน่นอนาบอบังเกิดในสุคติแต่ว่าผู้รูปประชานี่มันเสื่อมได้ ก่อนจะตายชาติอาจจะเสือ่อมอาจจะตกนรกไปเลยก็ได้แต่ว่าพวกเป็นประโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเป็นผู้ไม่มีอันตกต่ําเป็นธรรมดาหมายความว่าท่านตายไปแล้วในท่านเลือกอุบัติในภพไหนก็ได้ในกาเมาวจรภูมิเนี่ยแต่ประโสดาบันท่านไม่ยอมเกิดเป็นพรห ม, มนะก็เป็นพรหมในมันอายุบรรยืนแต่พระนาคามีเนี่ยก็ท่านเกิบังเกิดเนเป็นพรม้ม รายละเอียดเหล่านี้ตัวเหตุก็คือทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ติเตียนพระเรียเจ้าที่เคยตั้งข้อสังเกตว่าสังคมเราในชอบติเตียนพระสุงมันจึงมีวิบากกรรมอะไรแต่ไชอกโกนนะันะ่เป็นชาวพุทธแต่ติเตียนภิกษุในาศาสนาของตัวเองในขณะที่ในาศาสนาอื่นนี่เราจะเห็นว่าเขาพยายามปกป้องกัน แต่เราเนี่ยขอให้ได้ตีเตียนนะฮะเวลาทําดีไม่ค่อยสันเสริญน่ะแต่ว่าขอให้ได้ตีเตียนเวลาทําชั่วซึ่งซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแปลกอันนี้ก็เป็นเหตุแห่งอบายอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระพทธญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรณในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี